ชีวิตสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก่อตั้งขึ้นในปี2547มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไรายได้ที่เพียงพอไม่ขัดสน และพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิน่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้อง กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําห้วยขย่งจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําโครงการขยายผลวาวีบ้านปางกลางตาบลแม่พริก อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงศพเมยบ้านห้วยน้ำใสตำสบลศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตองบ้านห้วยตองตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่น้ำคือชีวิตควรคิด